เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลั้ตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอาเรามาฟังเคสดีดีกว่าพ่องลูก เกิดในครอบครัวชาวนามีชีวิตที่ยากลำบากมาตั้งแต่เด็กนี่กระดูกสันหลังของชาติตั้งไปเป็นเด็กวัดไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท่านก็เป็นคนที่มีปัญญาแล้วก็มีความทรงจำที่ดีใช้วิธีเรียนแบบครูพักรักจำจึงสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือนขวายแหละก็ไปเมียงเมียงมองๆเขาว่าอะไรเนี่ยจำได้จนสามารถสอน ล, ลูกให้อ่านออกเขียนได้พ่อดื่มเหล้าบ้างแล้วก็เล่นการพนันด้วยแต่มาเลิกได้เมื่อมีลูกชายคนโตคือพิชาของลูกเพราะพ่อกลัวจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของลูกจึงเลิกในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งหมด เมื่อยุบประมาณ50ปีพ่อเริ่มรักษาศีลห้าและมักจะลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเวลาตี2องถึงตีสเสมอพ่อใช้คำภาวนาวัดสัมมาอรหังโดยดูขั้นตอนการนั่งสมาธิจากหนังสือที่ซื้อมาจากวัดปากน้ำปาษีเจริญประมาณปี2535หเป็นต้นมาลูกก็ได้พาพ่อมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายในวันงานบุญใหญ่ของวัด แล้วก็ได้มาอีกหลายครั้งในวันอาทิตย์ธรรมดาระยะที่พ่อมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายพ่อได้ฟังการนำนั่งสมาธิที่มีคำว่าให้หยุดใจแต่ในระยะแรกพ่อฟังผิดคิดว่าให้หยุดหายใจเนี่ยต้องบอกซะก่อนเพราะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่เห็นไมต้องเอานีม่มาออกคอยบอกให้หยุดใจนะ ไม่ใช่หยุดหายใจท่านจึงกลั้นลมหายใจที่ลูกทราบเพราะพ่อพูดให้ฟังว่ า, าลูกเอ้ยพอหยุดหายใจเป็นนานๆมันอุกอังอึดอัดปวดหัวลูกจึงอธิบายเอออมิตรภาก็มีอย่างนี้เหมือนนะให้ฟังว่าที่ให้หยุดใจนั้นคือให้หยุดความคิด พวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วให้หยุดความคิดดีกว่าไม่ใช่หยุดลมหายใจซึ่งพ่อก็ททำตามอ่าเห็นไหมท่านเหมือนพระราทะว่างไงผลการนั่งสมาธิก็ของพ่อจึงดีขึ้นโดยลำดับตามที่ท่านเลฟังคือเห็นดวงแก้วจิตสูงนกลางกายทั้งหลับตาลืมตาเห็นตัวเองในดวงแก้วแล้วก็เห็นองค์พระพุดขึ้นมาหลายองค์ในช่วงนั้นสองสัปดาห์โลกก็กลับบ้านหนึ่งครั้ง มาวัดในวันอาทิตย์หนึ่งและกลับบ้านในวันอาทิตย์ถัดไปเพื่อให้พ่อมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิง้งเมื่อกลับบ้านทุกครั้งลูกจะถามพ่อเสมอว่าพ่ อ, อยังนั่งสมาธิอยู่ทุกวันหรือเปล่าและผลการนั่งสมาธิเป็นอย่างไรบ้างในบางครั้งพ่อกรลายฟังว่าเห็นองค์พระเป็นจํานวนมากนั่งคิดข่าวชนกันฟังดูแลว้วก็เหมือนองค์พระที่มหาธรรมกายเจดียเลยค่ะ แต่ตอนที่พ่อเล่านั้นมาหาธรรมกายจีดีเพิ่งเริ่มสร้างค่ะยังไม่มีองค์พระทุกครั้งที่พ่อเราถึงผลของการปฏิบัติทำที่ดีขึ้นลูกก็พลอยดีใจไปกับท่านด้วยแต่แล้ววันหนึ่งพ่อลูกก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากพ่อบอกว่าสมาธิพ่อเห็นตนเองมีเกสรูปดอกโบยอยู่บนทิะอย่างองค์พระที่หนาหนังสือสวดมนต์พ่อคิดว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้า <No. S 1> คำคนนี้แทบว่าลูกแทบช็อกลูกก็บอกน้ำไม่ใช่แล้วลพ่อ แต่พ่อๆเห็นอย่างนั้นจึงไม่เชื่อลูกอีกประการหนการนั่งสมาธิขงลูกเองขนาดนั้นก็ได้แค่เพียงเห็นแสงสว่างและมีใจที่สงบพอประมาณท่านั้นพอบอกพ่อพ่อก็พูดกลับมาว่าลูกนั่งสมาธิได้ระดับไหนจึงมาสอนพ่อและนับจากนั้นเป็นต้นมาความจําพ่อก็เริ่มเสื่อมลงมีการหลงลืมมากขึ้นแม้ลูกไปเยี่ยมบางครั้งก็ยังจําชื่อไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อเป็นคนที่มีความจําดีมากคนหนึ่งก็เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างนี้นะแต่มันมีเหตุจนกระทั้งปี2543สามหลวงยายทุกขยายจารัสังขารได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์พอได้เกิดเส้นเลือดเหตุในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมาพาตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้ท่านอายุใกล้ครบ80สปีแล้วค่ะยังอยู่แต่เป็นอัมาพาตแม่ของลูกเมื่อคลอดลูกชายคนโตคือพิชาของลูก ยาก็สอนให้แม่ดื่มยาดองเหล้าบอกว่าจะได้ช่วยขับเลือดติดตกค้างอยู่ในร่างกายหลังการคลอดให้หมดไปยาดองเหล้าคือตัวยาที่ผสมเหล้าขาว28ดีกรีพ่อเราว่าแต่ก่อนแม่นเป็นใจคนที่ชอบดื่มเหล้าแต่เพราะไม่อยากขัดใจย่าจึงยอมทําตามที่ย่าแนะนำแม่ดื่มทุกครั้งหลังการคลอดลูกแต่ละคนแล้วก็เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อย มาดื่มบ่อยครั้งเข้าแม่ก็เริ่มติดเหล้าคราวนี้ไม่ต้องมียาดองแม่ก็ดื่มได้แม่เริ่มติดเหล้าเมื่อคลอดลูกคนที่เจและก็เริ่มดื่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นการดื่มทุกวันวันละประมาณ1นึ่งขวดนอกจากการดื่มเหล้าแล้วแม่ยังผิดศีลข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งอยู่เกือบตลอดชีวิตแม่ฆ่าสัตว์ไปมากในขณะที่พ่อเริ่มรักษาศีลห้า นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแม่ยังคงธรรมานาธิบาตอยู่เหมือนเดิมแม่เสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อปลายปี2526โดยอายุห้าสิบปีโดยป่วยเป็นโรคกระเพาะ อ, อาหารอาเจียนออกมาเป็นเลือดประมาณปี2538ลูกแลละพินน้องก็ได้ร่วมกันสร้างองค์พระธรรมกาลไปจำตัวจารึกชื่อแม่ให้ท่านหนึ่งองค์พี่ชายคนที่สองและน้องชายคนเล็ก บวท้แม่ด้วยคนละหนึ่งพันษานี่หลังจากที่ท่านสิ้นมาได้1ิบกว่าปีคำถามการที่พ่อป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอัมพาตอยู่ถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นจากกรรมใดบ้างคะการที่พ่อนั่งสมาธิและเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดมีการปฏิบัติผิดหรือถูกอย่างไรคะ้าไมถูกต้อง กาลัรนี้จะส่งผลต่อพ่ออย่างไรบ้างลูกจะช่วยแก้ไขพ่อได้โดยวิธีใดบ้างคะแล้วทำไมหลักจะนันความทรงจงของพ่อซื่มลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่พ่อป่วยเป็นโรคเซลลูหิตในสมองแตกลูกเดี๋ยวทำบุญทุกวันไม่ได้ขาดโดยเฉพาะการถวายพระตาหารและปล่อยปลาและอธิษฐานจิตให้พ่อทุกวันพ่อจะได้มีส่วนร่วมในบุญที่ลูกได้ทานี้ไหมคะพระท่านความจาเสื่อม เราไปสามารถสื่อสารให้ท่านอนุโมทนาบุญกับลูกได้คะ่ะถ้าท่านได้รับบุญนี้จะช่วยได้อย่างไรบ้างคะช่วยกันจำคำถามนะจ๊ะแม่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรชีวิตหลังความตายแม่เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนได้ไปเกิดหรื อ, อยังคะบุญสร้างพระธรรมกาประจําตัว และบุญที่พีชายคนรองและน้องชายคนเล็กบวชให้ทรงผลต่อแม่อย่างไรบ้างคะน้องสาวคนที่สองลูกคลอดลูกมามีลักษณะของเด็กดาวใช่แม่มาเกิดกหรือไม่คะและบุญใดบ้างที่ช่วยหลานสาวคนนี้ให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเป็นปกติธรรมดาอย่างเด็กทั่วๆไปลูกเคยสร้างบารมีกับหมูค่คณะมาอย่างไรบ้างคะเคยเป็นทหารออกบวชตามพระราชาหรือไม่คะ ถ้บวชได้บวชตลอดชีวิตหรือไม่คะผลการนั่งสมาธิในชาตินั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเธออยากรู้นะในชาตินี้ลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงข้าแต่เดวับได้ผ่านการผิดศีลข้อสมาก่อนแน่นอนลูกอยากทราบว่าผิดข้อสที่ลูกผิดนั้นลักษณะอย่างไรบ้างคะทำผิดมากน้อยเพียงใดคะควรแก้ไขโดยวิธีใดบ้างที่จะช่วยพรนหนักให้เป็นเบาแล้วสา ม, มารถทําให้กรรมนี้กลายเป็นอโหสิกรรมได้คะในชาตินี้ลูกที่ฐานจิตไม่ขอแต่งงานมาตั้งแต่อายุประมาณสิบปี ัพยายามรักษาสัจจใจที่ให้ไว้ต่อหน้าพระและต่อตัวเองมาโดยตลอดาติหน้าลูกจะมีโอกาสได้เกิดเป็นผู้ชายหรือไม่คะลูกไม่ต้องการเป็นเพียงกองสเสบียงแต่ต้องการเข้าไปวงพิเศษวงบุญพิเศษเขตไหนของดุสิตบุรีเทวโลกท่านั้นลูกควรทำอย่างไรบ้างคะนี่แสดงก็ต้องฝากถามมาหลายคนเลยเลย่ยอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะพ่อเส้นโลหิตในสมองแตก และเป็นอมภาธพระกัมเนอดีตนะี่พ่อเป็นคนชอบโกหกเรื่องมีอยู่ว่าพ่อเน่ยเกิดในสังคมเกษตรกรรมติดการพนันมากเมื่อไปเล่นการพนันในบ่อนบางครั้งก็เป็นเจ้ามือบางครั้งก็เป็นลูกมือ ซึ่งการพนันก็จะมีการโกงกันเป็นปกติอย่างแนบเนียนบางครั้งเมื่อหมดเงินจากการพนันก็ต้องไปโกหกเพื่อขอยืมเงินคนอื่นบางครั้งก็ไปหลอกขายของปลอมเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันครั้งหนึ่งเป็นเจ้ามือมีคนมาเล่นด้วยแต่คนมาเล่นน่ะเล่นเสียแล้วก็ไม่ยอมให้เงินทําให้ กโกรธมากเลยชวนเพื่อนไปลุมสกลำซ้อมจนเขาเป็นอมพาษพิการจ้ะได้กรรมที่ชอบโกหกด้วยการที่ชอบโกหกกรรมจึงเริ่มต้นทำให้ความจำเสื่อมเลอะหิตในสมองแตกเลอะหในสมองแตกเพราะไปทำร้ายเขามาจ้ะการที่พอนั่งสมาธิแล้วเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเพราะกรรมชุราในอดีตมันส่งผลบรรดาให้เข้าใจผิด และการสุราลา น, นั่นแหละที่ในอดีตนั่นแหละได้ไปดึงดูดโรคความจําเสื่อมดังกล่าวมาด้วยเห็นไหมสุลานี่เห็นไหมล่ะจ๊ะไม่ดีเลยควรจะเลิกผลิดเลิกจําหน่ายเลิกเสพกันได้แล้วการสุลาได้ดึงดูดโรคความจําเสื่อมดังกล่าวมาด้วยความเข้าใจผิดดังกล่าวก็จะทําให้พ่อมีเชื้อวิปลาดติดไปแต่ไม่ใช่แปลว่าบ้าไม่ใช่เป็นบ้า แต่มักจะไม่เข้าใจอะไรเนะี่ยผิดพลาดไป เ, เรื่อยๆจะแก้ไขโลกเรจะต้องทำบุญทุกบุญแทนท่านแม้ท่านจะไม่ค่อยจะรู้เรือ่องบุญก็จะไปปรากฏในยมโลกแล้วช่วยอธิบายให้ท่านได้จ้ะอธิบายให้ท่านแต่ท่านจะได้ตามส่วนของท่านคือไม่เท่ากับที่ท่านทำเองด้วยใจที่เป็นปกติมกเมื่อโลกได้ทำบุญทุกบุญดังกล่าว เชิญถวายพระตาหารปล่อยปลาให้ท่านทุกวันท่านก็จะได้รับบุญตามส่วนดังกล่าวแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ท่านเรื่อยๆเลยนะจ๊ะในกรรมชุลามาส่งผลแต่กรรมดีก็จะทำให้ท่านปิดอบายเนะี่ยแม่นี่สิพ่อเนี่ยยังโอเคนะแต่แม่เนี่ยคตินิมิตแม่ดำมืด ได้ไปตกนรกในมหานรกขุมหา้าโดยกรรดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิริยบากลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากบุญสร้างพระธรรมกาปไปจำตัวและบุญบวชของลูกชายนั้นก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเพราะเพิ่งจะมาทำให้ท่านในภายหลังคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเคยไปช่วยแม่ เอาไว้ให้พ้อบายอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่ลูกไปขอบรารมีท่านท่านก็เอาขึ้นมาเลยโดวยวิธีพิเศษของท่านแล้วท่านก็สอนให้ทําภาวนาสัมมาระหังอบอกไว้ว่าลืมเมื่อไหร่ล้วก็จะหล่นลงไปที่เดิมอีกอก็รับปากรับคํากับคุณยายอาจารย์ท่านแม่รับปากรับคํากับคุณยายอาจารย์กับพระธรรมกายของคุณยายอาจารย์ คุณยายอาจารย์ท่านเคยช่วยไว้ให้พ้นจากมหานดระะคุมห้าและก็สอนอย่างนั้นนะแต่อยู่ได้ชั่วคราว<อ>ต้องตกลงไปใหม่<อ>เพราะเชื้อเมามันเยอะมากเลยลืม<อ>สิ่งที่คุณ ย, ยอาจารย์สั่งให้ภาวนาสัมมาอารหังไวจะ<อ>เลยหล่นลงไปอีกอตอนนี้กนลังโดนในโรงยาบาล<อ>กรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ นี่แม่กรรมสุราเนี่ยเพราะะนั้นมันถึงเวลาเราเลิกผลิตปิดโรงงานเลิกเสพซะ<อ>เลิกจําหน่ายเลิกโปรโมโชั่นแรงดังเนี่ยเท่ากับยินดีให้เพื่อนมนุษย์อายนะก็บยินดีได้เงินจากความหายนะของเพื่อนมนุษย์เงินนั้นมันเป็นเงินร้อนเราเอามาใช้ก็เหมือนกับบริโภค ก, ก้อนเหล็กเผาไฟลุกแดงฉานนั่นแหละ นี่ขณะปุญญาจารย์ท่านเมตตาช่วยมาแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละแต่บุญบทลูกชายสองคนบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวจะไปคอยอยู่ที่ยมโลกถ้าท่านพ้นจากมหานรกอุสตันนรกประยมโลกก็จะไปได้รับตรงนั้นแหละแต่อีกยาวเลยแหละต้องสองลูกคลอดลูกเป็นเด็กดาวมีพัฒนาการช้าไม่ใช่เป็นแม่มาเกิดเพราะแม่ยังอยู่ในมหานรก ให้ทำบุญทุกบุญโดยเฉพาะบุญปัญญาบา ร, รมีให้ทำต่อเนื่องคือสนับสนุนการศึกษาพระเนนเด็กๆให้ได้เรียนหนังสือพระเนก็ให้เรียนทางธรรมะรก็จะช่วยให้พ้นวิจากวิบากกรรมนี้ได้ในภพชาติต่อไปแต่ชาตินี้ยังคงเป็นเด็กดาวอยู่จจยังไม่หายหรอกอ่ะโดยเฉพาะบุญปัญญาบา ร, รมีช่วงเนี้ยมอบจานดาวทำให้โรงเรียนต่างๆ ให้น้องสาวทำนะจ๊ะลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ชาติที่แล้วไม่เป็นทหารพระราชาหรือเปล่าชาติที่แล้วได้เกิดเป็นผู้หญิงมีชีวิตที่ลําบากเพราะการครองเครือนได้มาพบหมู่คณะตอนอายุมากแล้วในชาติทันสร้างบารมีแบบช่วยงานวัดเป็นหลักคือเอาแรงช่วยเนะี่ย และอธิษฐานเสมอว่าชาติต่อไปให้ได้ประพฤติปรงมจริย์ไม่ให้มีครอบครัวและใครมาสร้างบารมีกับหมู่คณะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วจ้าแต่กําลังทานบารมียังหย่อนให้ตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่ชาติต่อไปก็จะดีขึ้นชาตินี้แม้ลําบากแต่ก็ยังสบายกว่าชาติที่แล้ว และหากชาตินี้รักษาศีลแปดได้ตลอดชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายจ้าการผิดศีลข้อสางของลูกนั้นก็คือเจ้าชู้มีเมียน้อยเยอะและเที่ยวหญิงบริการ oh. เที่ยวหญิงบริการก็ถือว่าผิด oh. เพราะชาตินั้นลูกมีเมียอยู่ oh. ถือว่านอกใจ oh. ไปใช้บริการหญิงอื่น ที่ขายบริการน ม, นมทั้งหลายพึงศึกษาไว้ให้ดีอนมโสดยกไว้อนมบโสดนี่เตรียมตัวให้ดีเด้อต้องสำรวมในกามคือบริโภคพอประมาณสามีภริยาเดียวหรือผัเวเดียวเมียเดียวนี่แหละอย่างนั้นโอเค ความรักเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นของสูงส่งนะรักก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษยชาติมาบังเกิดสร้างบารมีพอเสร็จภารกิจแล้วก็ปกติก็จะถือศีลแปดกันนะสมัยที่มนุษย์เจริญด้วยจิตยุคนั้นนะหรืออย่างน้อยศีลห้าเป็นปกติศีลแปดวันอุโบสถวันพระนะ แต่ว่าไม่ได้ไปผิดปริยาคนอื่นแต่ไปใช้หญิงบริการจะแก้ไขต้องรักษาศีลแปดและประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมะให้พรบลอดธรรกายดังที่ลูกได้ทำอยู่ปัจจุบันนี้<ๆ>ก็ถูกต้องแล้วว่าจะเห็นไหมจ๊ะเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ต้องศึกษานะบางคนบอกเอไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ไปทาอะไรบางทีเราคิดเองว่าเราไม่ได้ไปทาอะไร บางทีเราไม่รู้หรอกศึกษาเอาไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคนศึกษาไว้เถอะมีแล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรเวลาจะใช้ไม่มียุ่งคำถามที่หลายคนอยากจะทราบ <c oughs> อยากจะรู้กันลูกอยาเข้าไปอยู่ในวงบุญวิเศษเขตไหนโดยเฉพาะกองเสบียงเนี่ยป็างเกี้ยวเงี่ยหูฟังโปรดเงี่ยโสดสดับฟัง <c oughs> เพราะว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในตรงนี้มันดีก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายและชวนคนทาความดีให้มากมายชวนคนให้ติจารดาวธรรมเยอะๆคือให้เป็นสร้างปัญญาบุญมีชวนคนทําความดีเป็นผู้นําบุญผู้นํารถและพวกนั้นปฏิบัติธรรมกันถึงพระธรรมกายประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยาก หรื อ, อยากพอสู้คือถ้าสู้ก็ไม่ยากชวนเขาให้ติดจาร์เราทำเยอะๆเพื่อจะได้ตามพี่น้องวงบนพิเศษที่พัดพลาดกร ะ, ระาจาะกระจาให้กลับมารวมกันถ้าทําดังนี้ได้มีสิทธิ์ตามติดไปเขตไหนนะจ๊ะมีสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์นั้นมีขอใช้สิทธิ์ถ้าเถอะถ้าใครปรารถนาถ้าไม่กับเบ็ดไรแล้วก็อยู่ใกล้ๆวัด าา ง, างอามาดภพก่พอเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเป็นอมัมพาฒเพราะกรมเนดิดดีพ่อเป็นคนชอบโกหกชอบมากมากเลยเป็นความชอบอย่างหนึง่งเรื่มงพี่ว่าพ่อเกิดในสังคมเกษตรกรรมติดการพนันมากเมื่อไปเล่นการพนันในบ่อนบางครั้งเป็นจมือบางครั้งเป็นลูกมือเมื่อหมดเงินจากการพนันก็ต้องไปโกหกเพื่อขอยืมเงินคนอื่น บางครั้งเป็นหลอกขายของปลอมเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันครั้งหนึ่งเป็นเจ้ามือมีคนมาเล่นด้วยแต่คนนั้นเล่นเสียและไม่ยอมให้เงินทําให้โกรธจึงชวนเพื่อนไปซ้อมจนเขาเป็นอามพาดพิการไอ้แม่จ้าทาอย่างไรได้อย่างนั้นทําอย่างไรได้อย่างนั้นแอคชั่นตะกรีแอคชั่นเธอได้เพราะเธอทำมาเธอได้ทำใจจริงได้ ด้วยการที่ชวาวโกหกทำให้ความจำเสื่อมโรฮิติสมองแตกเพรประไปทำร้ายเขาเห็นไหมเจ้า่ามันมีคนส่งให้มนุษย์คิดเรื่องการพ น, นันแปลกเนี่ยสอดละเอียดให้มนุษย์คิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดแรงความคิดของมนุษย์เซตโปรแกรมมาพอบังคับมนุษย์ได้มนุษย์ก็คิดพูดทำเรื่องการพ น, นันแล้วก็ เอาผลลองรับเลยเนี่ยคล้ายมันแปลกนะ บ, บังคับแต่ทำไมต้องมาทำกับมนษุษย์เป็นหลักที่จริงตามกระสับกระสัทั้งหลายทั้งหมดนั่นหแหละมันต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมทำไมทำไมจึงต้องเป็นพวกเราไม่ใช่เฉพาะเป็นเราทำไมจึงต้องเป็นเราแล้วพวกเรา การที่พอนั่งสมาธิแล้วเข้าใจไปตัวเองแบบพุทธเจ้าเพราะกรรมสุราในอดีตบรรดานในขยับใจผิดเนี่ยมันเสียบเสียบยอดสอดละเอียดแต่ถ้าให้มีเชื้อวิปราาติดไปแต่ไม่ได้เป็นบ้าแค่มักจะเข้าใจและผิดพาลาดเรื่อยๆเช่นเออเราก็เข้ามาให้เราโปรโมโชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราทําก็เห็นจะเสียหายอะไรเพราะเราเป็นอาชีพของเราแล้วก็เป็นสัมมาชีวะเลวยเ อ, อ้ยไม่น่าเลย มักจะเข้าใจขาดเคลื่อนเออซื้อเหล้าไปเลี้ยงคนก็ไม่เห็นเป็นไรเป็นเป็นของขวัญกันเอก็เห็นคนหน่งก็ทำเราก็ทำมงมันก็ไม่นานนะเนี่ยวินิจฉัยพลาดเพราะขาดความรู้เนี่ยแก้ไขได้โลกต้องทำบุญทุกบุญแทนท่านแม้ท่านมื่อคจะรู้เรื่องบุญบุญก็จะไปปรากฏในยมโลก ละช่วยปิดอภัยให้ท่านแม้ท่านจะไม่ค่อยจะรับรู้เรื่องในตอนช่วงนี้นะจ๊ะเมื่อลูกที่ทําบุญทั้งบุญดังกล่าวเชิญถวายพระตาหารปล่อยปลาให้ท่านทุกวันท่านก็จะได้รับบุญตามส่วนของท่านคือไม่เท่ากับที่ท่านทําเองด้วยใจที่เป็นปกติคตินิมิตแม่ดํามืดตกมหาดารคุ้มห้าเกรรมดื่มสุราเป็นอา จ, จินกําลังเดินในนิรยบาลกรอกน้ํากรด ส, สีดําร้อนมีความทุกข์ทรมานมาก บญสร้างพระธรรมกาปไปจำตัวและบุญบุญของลูกชายในภายหลังไปคอยอยู่ที่เยื่อเมลโลกจ้าคุณยาจานั้นเคยช่วยไว้ให้พ้นอบายแต่อยู่ได้ชั่วคราวก็ต้องตกลงไปใหม่เพราะเชื้อเมามันยังเยอะเลยลืมสิ่งที่คุณยายสั่งให้ภาวนาสัมมา阿拉หังไว้ให้ภาวนาไปจนกว่าจะเห็นพระในตัวแหละมันถึงจะพ้นเงินแ่ยังไม่เห็นก็ต้องภาวนาไปทีนี้ไอท้ทีลืมไม่ใช่เลยล่ะ เออมันตื่นเต้นกับสังคมใหม่อออมันสบายเนี่ยลืมไปเลยหยกๆยกนั้นเราเพิ่งโดนกรอกน้ำกรดสีดำบสบายเนื้อตัวสะอาดสิ่งแวดล้อมดีรูปล่างเราก็ดีด้วยในหารทิพเฮ้ยเราขาดเพ้าน้ำมันเขาไม่เป็นไรนะ่ะเกิเพลินๆดูแค่ชัวบูบเดียวนั่นหนึ่งมีบา ก, กรรม ดูดลงมาเลยมันจะโดดลงวุ๊บยายดึงมาเขาดดไปไปเโดดลงมาอือน้องสาวลูกคลอดโลกเป็นเด็กดาวมีพัฒนาการช้าไม่ใช่เป็นแม่มาเกิดให้ทำบุญทุกบุญโดยเฉพาะบุญปัญญาบารมีให้ทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยหายจากวิบากกรรมนี้ในภพชาติต่อไปลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คนะมาแต่ชาติที่แล้วได้เกิดเป็นผู้หญิงมีชีวิตลาบากเพราะการครองเรือนมาเจอมุคณะตอนอายุมากแล้ว ชาตินั้นสร้างบารมีแบบช่วยงานวัดเป็นหลักแล้วอธิษฐานเสมอว่าชาติต่อไปให้ได้พุทธพรห ม, มจันทร์ให้มาสร้างบารมีกัหมูขคณะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วแต่กำลังทานบารมียังหย่อนให้ตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่ชาติต่อไปก็จะดีขึ้นชาตินี้แม้ลำบากแต่ก็ยังสบายกว่าชาติที่แล้วอาชาตินี้รักษาศีลแปตลอดชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงนี่มันเปลี่ยนกันนะ กันสลับกั น, กนข้าวสามของลูกนั้นคือเจ้าชู้มีเมียน้อยเยอะและเพียงหญิงบริการไปใช้บริการหญิงบริการกร็ถือว่าผิดเพราะมีเมียอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้ไปผิดปริญาผู้อื่นจะแก้ไขต้องรักษาศีนแปดและประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติ ท, ทําให้พบพระธรรมกายดังที่ทำอยู่ในปัจจุบันจะลูกอยากครับอยู่ในวงบนพิเศษเขตในกระตังประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติ ท, ทําให้เข้าถึงพระธรรมกาย และชวนคนทําความดีให้มากๆชวนเขาให้ติดจานดาวทํเอะเยอะๆก็จะได้ตามพี่น้องว ง, ว ง, วงบุญพิเศษที่กระกจายอยู่ในที่ต่างๆให้มารวมกันจ้าบุญนี้ก็้าททาได้อย่างนี้ก็มีสิทธินะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสสัด้ดีสันส้นๆนะจ๊ะ